ล ก, กลับมาดูกายดูใจกันวิธีดูกายดูใจดูแลกายใจก็คือรู้สึกตัวความรู้สึกตัวมันเป็นธรรมชาติที่มันมีอยู่ตลอดเวลาตั้งแต่เกิดมานน่นนะ มันเป็นความบริสุทธิ์ที่มีอยู่แล้วธรรมะ ม, มันมีอยู่แล้วแต่ว่าเราไม่ค่อยได้กลับมาสัมผัสมันมารู้จักมันเนื่องจากเราหลงหลงไปทางข้างนอกหลงล ด, ล ด, ลดกินเสียง ระบบของความคิดระบบของกรรมระบบของพพชาติมันก็จึงคิดแล้วคิดอีกทุกแล้วทุกอีกสุกแล้วสุขอีกอเรากลับมาหาความรู้สึกตัวที่มันเป็นพื้นฐานของชีวิตเป็น ต้นเงื่อนว่าเป็นจุดอ่อนของชีวิตนจุดอ่อนมันคือมันมีการยืดยุ่นมันอ่อนโยนไม่ใช่อ่อนแอจุดอ่อนจุดนี้นมันจึงเป็นพลังของปัญญาพาเราพ้นทุกข์เราจึงต้องสังเกต การปฏิวัติแบบผ่อนคลายเป็นงานแจ็คธรรมดาธรรๆแต่ว่าต้องเจอทุกการเดินทางแบบสบายแต่เจอทุกเจอบวกเจอลบเจอพอใจเจอไม่พอใจเจอชอบเจอไม่ชอบเจอความเบื่อเจอความสงบเจอปิตินี่แหละคือการเดินทาง มันเป็นพลังบุญที่เป็นบุญสูงสุดบุญมันมีหลายระดับระดับทานก็ใช่ระดับศีลก็ใช่ระดับภาวนาในเกิดความฉลาดอันนี้มันเป็นสุดยอดเราเป็นยอดสุดของศาสนา ที่มีเรื่องการชำระจิตให้ข่าวลออทุกศาสนาสอนถึงละช่วยทำดีแต่เวลาการชำระจิตให้บริสุทธิ์เราก็ไม่ค่อยได้ยินได้ฟังกันเกิดมาในเมืองไทยมีศาสนาพุทธเราเห็นปู่ย่าตาทวดมันพวกรุษ บคุคคลรอกางทาทานรักษาศีลอันนี้เราก็เห็นจนติดหูติดตาตัวภาวนาเราก็ไม่ได้เห็นได้ยินได้ฟังแต่ประมาณที่นี่เราก็ได้เห็นได้ยินได้ฟังเห็นคนยกมือส4บีจังหวะ ยินหลวงพ่อครูบาอาจารย์กะเลอมิตรพูดถึงความรู้สึกตัวเมื่อเราน้อมนำเข้ามาปฏิบัติเราก็เห็นจริงอย่างนั้นมาดูกายเคลื่อนไหวไมาเห็นกายเคลื่อนไหวะมาเห็นของจริงเมา้องใช้นิมิตลูกแก้วมา้องใช้นิมิตเป็นคำพูดต่างๆ หยุดนอพองนอพุทสัมมาหลัง1 2 3 4สสี่ตายไหวนิ่งหรือไม่ทั้งวาเคลื่อนไหวเระบอกรู้สึกรู้สึกในใจอันนี้นก็บริกรรมเหมือนกันให้เหลือแต่สัมผัสรู้กระทบรู้อันนี้แหละมันจะเป็นความรู้สึกตัวดิบดิบเป็นความรู้สึกตัวพื้นพื้ น, นตื้นตื้นที่ทาให้เราสัมผัสทาได้ยังต่อเนื่อง แล้ก็ถูกต้องด้วยต่อเนื่องไม่ถูกต้องต่อเนื่องถูกต้องให้ผลต่างกันแต่ว่าจะมีประสบการณ์เหมือนกันก็ประสบการณ์นี่ไม่เกี่ยวกับดีหรือไม่ดีเรียนถูกก็เป็นประสบการณ์เรียนผิดก็เป็นประสบการณ์แตท้ายสุดมันเลือกเป็นขึ้นมาแล้คือปัญญาเป็นประโยชน์เป็นอนิสงค์ของประสบการณ์ ทำให้รู้ทิศรู้ทางชัดเจนแล้วก็เดินแต่ละก้าวย่างมั่นคงแล้วก็ปลอดภัยเพราะมันเคยทำผิดเอาผิดเป็นครูมันก็จะเลือกเป็นอันนี้แหละก็ต้องอาศัยการฝึกหัดปฏิบัติหรวยการลงมือกระทาลงไปโดยที่ไม่ต้องกลัวไม่ต้องเกไม่ต้องเขิน ลองใชอาศัยความเชื่อความไม่เชื่อไม่ต้องอาศัยออกมันมีอย่างนี้ด้วยมีการกระทานําลงไปเลยมื่จะรู้แจ้งเห็นจริงรู้แจ้งในความถูกรู้แจ้งในความผิดเพราะฉะนั้นผิดมันก็รู้ได้ถูกมันก็รู้ได้สุขมันก็รู้ได้ทุกข์มันก็รู้ได้แล้วไม่ติดเมื่อเป็นตัวรู้สึกเฉยๆความรู้สึกเป็นปกติเป็นธรรมดาธรรมชาติ อันนี้เเป็นความฉลาดเป็นบุญสูงสุดบุญิมต่อยอดเเป็นกุศลเป็นความฉลาดชำระจิตให้ขาวรอบติดดีกัทุกได้ติดดีดดดบ้าดีหลงดียึดดีถือดีอวดดีากลายเป็นภาละวถ้ารู้รามาใช้อันนี้มันดีเลยประเสริฐสีเลย เป็นดีที่ไม่ต้องยึดดีทำดีทั้งวันเหมือนไม่ได้ทำอะไรแต่บางทีเราไม่มีความรู้สึกตัวไม่ได้ทำอะไรเลยแต่มันเหมือนกันโอ้หทมาทั้งวันทั้งคืนเหนื่อยมากเราก็จึงนะรู้สึกตัวเป็นปกติรู้ปล่อยรู้วางก็ฝึกเอาจากการเคลื่อนการไหวอันนี้นจะเป็นการต่อยอดบุญของเรา บุญเก่าเคยทํามามากแล้วเราก็ใช้กันอยู่ใช้บุญเก่าเดีเกิดมามีฐานะกินบุญเก่าเดีเกิดมามีสมองดีกินบุญเก่าเดีก็เกิดมาหน้าตาสาวสวยอาการครบสามสิบองกินบุญเก่านะแต่ว่าหากรรมใหม่เช่นเด็กๆมาไปเดียวทำนะโอ้มันปลอดภัยจริงๆนะพ่อแม่เอาลูกมาเดียวทำเนี่ย ถงจะนั่งฟังมั่งสะพงกมั่งเนี่ยนะมันก็ยังดูน่ารัก ด, ดูดูดีถ้าเป็นเด็กแถวชายแดนอะไรยประเทศสาแก้วนะวันหยุดหรือว่าปิดเทอมนาไปหาลูกระเบิดตอนแนวชายแดนปืนคอลูกปืนคอเวลาให้ยิงซ้อมลบบ้างอะไรบ้างหรือว่าฝังเอาไว้ตอนสงครามแล้วมันยังอยู่ไปหาขุด แล้วก็แบกกันท้ายสุดมันระเบิดแล้วก็ตายไปแล้วก็มีคือมันไม่ต่อยอดบุญที่มันมีอยู่เกิดมาเป็นคนอันนี้เรียกว่าบุญวาสนามันไม่มีจริงๆมันหมดบางทีร่างกายเป็นมัดใจเป็นเปลดอขิวเงินสุกสนท้ายสุดมันก็อยู่ไม่ได้ในโลกมนุษย์บางทีก็ซื้อมอเะใสมาพ่อแม่ให้ลูกรับ อย่างเช่นมีเด็กหญิงอยู่คนถึงเทปเอามาใตอร์ซคมาขับอายุสนะิบสี่นะปรากฏว่าให้น้องเจ็ดขวบนั่งแล้วก็น้องอีกค น, นก็อายุสองขวบนั่งตอนนี้ควบคุมมอเตอร์ไซค์ไม่ได้ก็พุ่งลงคลองอ่ะไอตัวเล็กจะทำไงาพากันไปตายแบบนี้นที่ทามาไฟก็มีเมื่อหลายปีที่ผ่านมาปิดเทอม พาไปเล่นน้ําหน้าร้อนท้ายสุดจมน้ําตายก็มีหลายคนแล้วก็มีอีกคนนึ่งนางสงสารเห็นหมายอยู่ในน้ําแล้วก็หมาตกน้ําก็ลงไปช่วยตัวเองก็ว่ายน้ําไม่เป็นก็ลงไปช่วยก็จมพี่ลงไปช่วยพี่ก็จมตอนหลังมาซึ่งเป็นผู้ใหญ่ลงไปช่วยก็จมตายสามศพเลยกอดคอกันตาย หมดบุญหมดบุญเป็นสัตว์เดชานก็อยู่ไม่ได้ากติขัดแยงเดี๋ยวร่างเป็นมนุษย์มันก็พาไปเกิดใหม่หมดนั้นนะกนีน้อายุสั้นพวงนี้นะเราก็เลยต่อยอดกันมาต่ออายุโดยการฝึกหัดปฏิบัติธรรมกันเจริญสติปัฏฐานสี่แนวเคลื่อนไหวหลวงปู่เทียนจิตต่อเป็นการปลุกจิตให้มันตื่นมาจากโลกให้ได้ไม่มาหลับไหล วงหาหานอนนะนี่วรธรรมนะมันเป็นด่าน ก, ากันจิตเราจริงๆไม่ถึงสภาวะของความรู้เนื้อรู้ตัวรู้สึกตัวเราต้องฝึกฝืนฝึกฝนกันสักหน่อยนะสำรองเอาไว้พลังตัวนี้เรายัางต้องใช้ในโลกนี้เยอะเพราะว่ามีความทุกข์เป็นเบื้องหน้าแล้วตัวต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายต้องพัดผ้าของรักของชอบใจต้องปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นครับอกครับใจ ครับที่อยู่ได้ครับใจอยู่ยากสำรองเอาไว้ให้ดีๆเหมือนกับอีกไม่กี่วันข้างหน้านะเดี๋ยวแก๊สมันก็จะไม่ได้ระดมส่งมาทางท่อแก๊สแก๊ส r p g แก๊สหุงต้มหนะ้ารนีละปั่นไฟฟ้ามันจะไม่พอเราเตรียมไมล์ยังนะเตรียม น้ำเตรียมอาหารเตรียมความเป็นอยู่ถิมกันคือเตรียมใจไว้หรือยังเนี่ยนะบริษัทใหญ่ๆเช่นบริษัทท่าอากาศยานสุวรรณภูมิมันใช้พลังงานเปลืองเกี่ยวกการบินการขนส่งอากาศยานบริษัทวิโยการบินแห่งประเทศไทยก็ต้องเตรียมเหมือนกันพลังงานสำรอง ไฟที่ใช้อยู่มันเข้ามา375วัลแต่ว่าไฟมันตกมาแค่360วัลเครื่องจะต้องทำงานสำรองทันทีไม่งั้นลรไปไหนกันไม่รอดทีเดียวลวนะการบินต่อสายหนะของการสื่อสารวิยุการบินประเว้นีนะ้นั้นเป็นการเตรียมตัวก่อนตายพวกเราการไปรทำเตรียมตัวก่อนที่จะตายพบใหม่วันนี้อยู่นะ เตรียมกายก่อนแต่งก่อนแต่งหน้าต้องล้างหน้าล้างตาให้สะอาดสะอานเครืาารค่องสมองอางเก่าก็ต้องล้างออกกี่เมล็ออกเตรียมกายก่อนแต่งเตรียมน้ําก่อนแรงปีนี้มันเดือนแปดสองฝนน้ำมันจะไม่พอมันจะแรงกต้องเตรียมกันไว้ในครัวเรือนให้พร้อมเพึ่งตัวเองให้มากๆน้ําจากหลังคาเนี๋ยกินไม่ได้แถวจังหวัดระยองแถวสมุยประการเนี่ย ฝนกรดยังไงเราจะเตรียมยังไงเด็กบางคนก็เตรียมน้ํำมาไว้แต่เด็กคนนี้ก็ตายไปแล้วนะก็คือครูให้เตรียมน้ํากรดก็คือน้ําเปล่าผสมกับน้ํากรดให้มันเจือจางก็เตรียมมาไว้ก็ตั้งเอาไว้ไม่ถูกที่ถูกแทงตั้งไว้ข้างตู้เย็นในขวดน้ํา แม่มาเห็นไงลูกคนนี้กินน้ําแล้วทําไมแม่เอาเก็บไว้ที่ลูกก็เรียกว่าในมีสมองเลยไล้วไงก็ไม่รู้เนอะาน้ำในตู้เย็นผสมน้ํากรดแล้วก็วางไว้ข้างๆตัวแม่ก็เห็นมันผิดที่ผิดทางอนะเลยเก็บเข้าตู้เย็นกลางคืนนอนตื่นมากลางดึกคอมแห้ง ก็เลยไปหยิบน้ำนตู้เย็นกินก็น้ำกรดที่เรียผสมนะอย่างนี้มันก็ตายนะจะเหลืออะไรเหลือแต่ชื่อมันใช้ชีวิตนี่ต้องเรามาระวังมันตายง่ายๆเลยนะสัตว์นรกนี่ก็อยู่ไม่ได้ประเดี๋ยวาหาเรื่องตีกันเข้าคุกเข้าตารางอยู่ยากในโลกใบนี้นะจึงมาฝึกมหาหัดกันต่อยอดบุญให้เป็นกุศลหลายสิ่งหลายอย่าง มันจะทำให้เราทุกข์ได้รูปรดกลิ่นเสียงปุถุตปาฐมารลมสังคมเศรษฐกิจการเมืองสุขภาพต่างๆปัญหาต่างๆหน้าที่การงานของเราพนังงานกรรมฐานยังทำให้เราได้เจอคำตอบองค์สมเด็จสมาเจ้าเนี่ยได้มาเห็นการแก่การเจ็บการตายเห็นสมณะก็เรียกว่าเทวทูตเห็นเทวทูตเห็นแล้วก็ น, น้อมกามา จะทั่งมันเห็นตัวเองว่าทุกข์เพราะอะไรทุกข์เพราะความแก่เพราะยึดความแก่เห็นความเจ็บเพราะยึดความเจ็บเห็นความตายทุกข์เพราะความตายเพราะยึดความตายไม่ได้เห็นได้ปัญญาไม่ได้เห็นด้วยสติจึตเป็นตาในจิตเปิดหูเปิดตาลืมตาออกมาดูเห็นกายเห็นใจเห็นรูปเห็นนามเนี้ยแต่อุสาอุสาอุตสาหานะ ทำไว้ใจจยยนทั่งมีความสําเร็จเห็นทุกเห็นเหตุแห่งทุกข์ก้าวล่วงออกชากความทุกข์ได้เพราะว่ามีวิธีการมีกรรมวิธนะีอย่างพวกเราเนะี่ยทุกข์เพราะความคิดนะก็ออกมาเลยรู้สึกตัวที่ฐานกายนะก็ก็บอกตรงๆอยู่แล้วนะเราก็จึงฝึกหัดกันมาวันนี้เป็นวันที่สี่ละเจ้าวันที่สนะี่เมื่อวานเย็นไปเทศที่วัดภูเขาทองญนะาติโยมก็ประมาณนี้หละร้อย ร้อยกว่าชีวิตแล้วก็ส่วนใหญ่เป็นคนแก่เป็นชาวบ้า น, นที่อยู่รอบๆวัดก็ถือว่าเป็นชาวบ้านเป็นคนแก่ที่มีบุญวาสนาพอสมควรเพราะมเป็นหมู่บ้านที่หลวงพ่อหรือวัดบาลามีศีลมีธรรมคนแก่ก็ว่านิ่งๆตั้งใจไปแต่ทำกันดีมีพระก็ประมาณนี้แหละนะ ยีสิบสามสิบรูปเดี๋ยวยันนี้ก็นี่มราจารย์สมใจในประเทศที่นั้นอาจจะมีรถไปส่งดรวยมีรถมารับมันลองติดต่อไอเทียแล้วกันไปเทศไปพูดไปคุยกันในเรื่องของความรู้สึกตัวเพราะว่าเวลาสังคมก็คุยกันก็ <c oughs> ยัมักจะคุยกันว่าอยู่สีอะไรเลือกพักอะไร ก็จะคุยอะารเงี้ยทำงานอะไรเป็นยังไงบ้างมีความคิดความเห็นยังไงจะไปเรียนต่อที่ไหนจะคุยกันแบบเนี้ยเป็นนี้เท่าไหร่ก็เราไม่ต้องอยู่ที่นี่เราพยายามงดพูดหยุดพูดหยุดคุยเพื่อที่จะภาวนาให้มากๆภาวนาก็หมายถึงว่าพัฒนาทางด้านจิตใจให้มากๆ ภาวนาภาษาตรงๆที่เป็นภาษาที่จิตใจมันดีวันดีคือนะเรียกว่าภาวนามันเกิดที่ปรัสนาเกิดมันจะเห็นแยกแยะได้อาการต่างๆสมมติปัญญัติต่างๆวัตถุอาการปรมัสตรต่างๆมันมีอยู่มันจะแยกแยะได้อะไรเป็นกิเลสอะไรเป็นกรรมอะไรเป็นวิบากอะไรเป็นปัญหาอุปาทานมันจะแยกได้มันจะแยกด้วยตัวของมันเอง โดยที่เรามั้องไปคิดแยกแยะอะไรอันนั้นมันเป็นลักษณะของจินตามันจะปัญญาจินตนาการเอาสุดตาคือขณะนี้ได้ยินได้ฟังมันเกิดปัญญาขึ้นมาไม่เคยได้ยินก็ได้ยินรู้ว่าได้ยินทำซ้ำก็ทําให้เกิดความเข้าใจจริงๆขึ้นไปทําพูดคําเดิมแต่พอมันขยายความมันก็ออกเห็นแง่เห็นมุมแตก ต, ต่างกันไปจันเกิด มือนกับว่าได้ข้อสรุปจับประเด็นได้อย่างชัดเจนอย่างนี้เป็นต้นปัญญาภาวนาคือต้องลงมือทํมาเองคิดเอาเองต่อไปเองอันนั้นเป็นเรื่องของจินตนาการแต่ว่าคําตอบที่เกิดจากภาวนาคือมันเป็นสภาวะธรรมมันผุดเกิดขึ้นมาเรียกว่าโอปปปาติกะโอปปปาติกะมันผุดเกิดขึ้นมาจากภายในของใครของเรามันจะสัมผัสกับบุญสัมผัสกับบา สัมผัสกับความรู้สึกตัวที่มันไม่เป็นอะไรกับอะไรมันจะมีอยู่ความเป็นกลางนี่แหะมันจะพาเราให้เดินทางผ่านพน้นรอยสุขรอยทุกรอยได้รอยเสียความพอใจไม่พอใจจะถูกถอนกลายเป็นความปกติรู้ซื่อๆรู้จืดๆตรงนี้แหละมันเป็นผลเบือเอบเบ้องต้นเป็นคําตอบเบื้องต้น ที่เราจะต้องตอบตัวเองนะไม่ต้องให้ใครตอบเราแต่ว่าเราจะต้องปฏิบัติให้มากคํานะว่าปฏิบัติให้มากเนี่ยมันจะหมายถึงว่าเพียรทำจนกระทั่งเหนื่อยใจรวบบังคับจิตจนกระทั่งเหมือนกับจิตมันพยศขึ้นมาเลยเคล็ดลาบไปเลยการไปาทานี่มีการเคล็ดลาบด้วยนะเช่น มันเดินชมนกชมไม้ไปไหนมาไหนมันจะเดินได้แต่พอมันเดินเห็นทางเดินอย่างกอมามันมันลังเละแล้วนะมันรีรีรอรอเลยมันจะอ้อยอิงมันจะไม่อยากลงฐานเห็นเก้าอี้นั่งสร้างจังหวะเนี่ยมันจะไม่อยากลงฐานเลยโด ย, ย, ยเพราะเก้าอี้หินที่เอามาให้นั่งเนี่ยนะโยมจะไม่ชอบนั่งเลยนะสำหรับคนที่ไม่ค่อยมีกรรมฐานนะ หรือไม่มีกรรมฐานเนี่ยบอกเลยจะไม่ชอบนั่งก็อี้หินมันจะลากก็อี้พอกนี้ไปนั่งในลานนั้นให้รู้อะไรไม่มีกรรมฐานหรอกนะถ้าคนมีกรรมฐานยิ่งนะอะไรก็ได้ไม่เป็นไรมันจะฝึกตนแบบนั้นแหละมันจะยอมเข้าไปกลมเกลือนกับที่ที่นั้นแหละเหมือนกับหลวงพ่ออมเขียนท่านเคยเล่าเหมือนกันว่าท่านเคย ไปที่ประเทศอินโดนีเซียไปศึกษาศา ส, สนาเปรียบเทียบใครไปอยู่บ้านเสียฐีก็อยู่สลัมที่มันยากจนชุมชนหนาแน่นชุมชนแออัดหลวงพ่อเลือกที่จะอยู่ชุมชนแออัดเราอยู่กับสลัมหลวงพ่อเขียนนันนะเสร็จแล้วท่านไปเจอ ห้องเล็กๆแล้วก็มีพรมปูมีฝุ่นท่านก็ร้อนมากๆอินโดนีเซียนอนไม่หลับกันเลยเหงื่อแตกท่านก็้ําำในห้องน้ำก็มีอยู่ในอกแตกๆอยู่นิดเดียวอะแต่มันนอนไม่ได้มันร้อนมากๆท่านก็เลยแอบเพื่อนท่านใช้คว่าลักขโมยอะนะเพื่อนไปอาบน้ำ ท่านก็เอาไงดีน้ำก็มีนิดเดียวเดี๋ยวเพื่อนก็จะ ม, มีใช้กันขันไม่อาบก็นอนไม่ได้แน่คือเนียสกรปรกเหงื่อเหนียวมาทั้งวันท่านก็เลยเอาอน้ำมาหนึ่งแก้วแก้วที่หนึ่งนะท่านก็บรรจงตั้งสติให้ดีๆแล้ค่อยๆลาแม่น้ำก๊เซนออกมาเลยไม่ได้หยดเดียวนะค่อยๆลาล่ามือลูบลูบ รูบรไล่ไปทะล่ฟังนะรูบรูปรไล่ไปให้ทั่วตัวเสร็จแล้วก็เอาสบู่มาค่อยๆถูทูๆูๆููไล่ไปทั้งตัวแก้วที่สองตั้ก็ทำเหมือนเดิมค่อยๆลาดไปแล้วก็นึกภาพออกเลยเวลาท่านเลาเรแล้ว แล้วท่านก็นเลาต่อว่าท่านกาบมือไล่ไล่สบู่ออกแล้วมาแก้วที่สามก็ทำเหมือนเดิมแก้วที่สามนี่สะอาดเลยอาบน้ำสามแก้วเราเคยทำไหมแล้วท่านก็รู้สึกภูมิใจมากเลยอาบน้ำอย่างประโยชน์สูงประหยัดสุดแล้วก็ได้หลับอย่างสบายคืนนั้นไปนอนที่พรมที่เป็นสกปรกท่านกาบผ้า อาบน้ำเนะี่ยปูก่อนแล้วท่านก็ น, นอนแบบนิ่งไม่พลิกซ้ายไม่พลิกขวานิ่งแล้วก็หลับไปอย่างมีความสุขใครทำไแบบเนี้ยอยู่ก็ทุกข์ไม่ต้องทุกข์กระด้กลายเป็นปัญญากลายเป็นการเอาตัวรอดเพราะนั้นเวลาปฏิบัติธรรมมีสภาวะทุกข์เช่นนั่งนานๆก็ทุกข์นะ เรามีสติเราจะเห็นว่ามันมีความทราบส้น้นในอาการปวดนะมันมีจุดที่ไม่ทุกอยู่หรือทีหนึ่งอาตมาเคยไปที่นั่นไปที่แคลเมียเขากรมาเฟฟตตกูซึ่งเป็นหิมะปลนเลยที่นั่นน่ยหนาวจัดก็ห้างขึ้นแต่มาก็เห็นว่ามันมาทั้งทีไม่ขึ้นมันก็เสียประโยชนะ์ะ เราไม่ได้มาบ่อยๆนานๆเรามาทีก็ขึ้นไปเลยที่นั้นก็มีการเล่นสกีกันสนุกสนานถ่ายทำภาพยนตร์พื้นที่มันสวยมากเราก็ไม่นสนใจเราก็ไปของเรากไกลลิบเลยแต่แล้วขอภัยนะมาก็ถอดชุดอันนี้ออกไปเลยเหลือแค่สบงตัวเดียวกับภูเขาที่ย่าบนหิม เสร็จแล้วเอาสันนปูแล้วก็นั่งดูมันจะตายวิธีมันจะตายเย็นๆจะตายยังไงบ้านเราไม่มีเนาะเวลามันหนาวแล้วมันแข็งตายเนี่ยมันจะเป็นยังไงเวลาร่างกายเราอยู่กับความหนาวมันก็หนาวนะหนาวแล้วมันก็ชาพอชาเสร็จมันก็เจ็บแล้วก็เจ็บเข้ากระดูกเสร็จแล้วลมหายใจก็แผ่วลงไปแผ่วลงไปแผ่วลงไปแผ่วลงไปอันนี้มเห็นมีความอบอุ่นอยู่ภายใน ใจมันอบอุ่นมันไม่ได้หวาดหวัน่นอะไรมันก็รับรู้อาการจนเป็นเกือบชั่วโมงอะนะมาทำพฤติกรรมเนะี่ยจะว่าทรมานก็ไม่ใช่เพราะมาตั้งใจที่จะมาเรียนรู้แค่ไหนพอดีอย่างเงี้ยมันก็รู้อยู่ไม่เป็นภาระตับเพื่อนที่มาด้วยกัน ใช่ไหมก็เห็นเออมันมีความอบอุ่นนะมันก็ใส่ความอบอุ่นนะค่อยๆขยายให้ออกมาขยายออกมาขยายออกมาร่างกายที่มันล็อกหมดแล้วเอ็นที่มันแข็งมันยึดเราค่อยๆไล่ความอบอุ่นจากข้างในออกมาใหม่มาเลยเห็นเวลามันร้อนจัดมันมีความเย็นอยู่ข้างในเย็นใจใจเย็นเวลาเพื่อนเขาร้อนเรามีตัวเย็นอยู่ข้างในเพื่อนเขากรอดเราไม่กรอดมันมีอยู่ เพื่อนเขไม่รักเราเรารักเขานี่อันนี้มันมีอยู่เพื่อนก็ไม่เมตตาเราเราเมตตาเขางี่มันมีอยู่นะมันเป็นความรู้สึกตัวที่อบอุ่นอยู่ภายในเนี่ยเวลาเย็นมันก็อุ่นเวลาร้อนมันก็เย็นเหมือนป่าป่านี่คือธรรมชาติเวลาอากาศข้างนอกร้อนป่ามันจะปรับสมดุลให้เราเย็นสบายเวลาหนาวมากๆหรือกลางแจ้งหนาวมากแล้วป่ามันจะอุ่นอย่างเงี้ย เพราะฉะนันธรรมชาติมันทําให้เราอยู่ได้แน่นอนนะการใช้ชีวิตมันก็ปลอดภัยตกน้ําไม่หลายตกไฟไม่ไหม้อยู่กับโจรทําตัวเป็นคนมีศีลไม่ได้นะอยู่กับโจรทําตัวเป็นคนมีศีลตายอยู่กับคนมีศีลทาตัวเป็นโจรก็ไม่ได้ตายบันทีผ่านมาในข้ามบัณฑิตที่บัณฑิตมาในข้ามของคนผ่านนะคนที่ร้ายที่สุดจะปลุกไถยใตย่สูตรอย่างนี้ เรอมันมีอย่างนี้ในะโลกใบเนี่ยสมมติบัญญัติเนะีดีกับไม่ดีอยู่ด้วยกันแต่เราถอดรหัสไม่ได้เราก็จึงมามีตัวปกตินะเป็นมาตรฐานของชีวิตจิตใจต้อต้องมีมาตรฐานคือปกติร่านะงกายของเราก็มีมาตรฐานของกายไปจิตใจก็มีมาตรฐานของจิตใจเพราะฉะนั้นเวลาปฏิบัติธรรมนะเ ร, า ป, ร า, า, า, าปฏิบัติอย่างลําบากลําบากทุกขาปฏิปทาเนะ อาจจะให้ผลได้ไวก็ได้เป็นลักษณะของขิปนาอภิญญารั่วปฏิบัติอย่างลำบากให้ผลช้าไม่รู้อะไรก็ได้เรียกว่าทุกขาปฏิปทาทันทาอภิญญาเรื่อนะรัว่วเราปฏิบัติอย่างสบายผ่อนคลายทำตัวสบายๆอยากกินก็กินอยากนอนก็นอนตามกิเลส รู้สึกสบายมีความสุขให้ผลแบบรู้อย่างช้าก็ได้ก็เลือกสุขขาปฏิปทาทันทาอภิญญ า, บาสบายสบายไม่ให้ผลอะไรเลยอันนี้อยู่ที่บ้านอยู่ที่เราชอบที่เราพอใจอยู่ได้แต่พออยู่ที่เราที่ไม่พอใจมันจะโอ้ยอึดอัดอยากเปลี่ยนโลกทั้งใบให้เป็นอย่างที่ใจเราต้องการ อันนี้ไิบัติได้อย่างช้ามากถ้าเออสุขขาปฏิปทาไปบัติอย่างง่ายๆแต่อยู่ที่ไหนก็ได้ง่ายไปหมดเอออันนี้มันเป็นหนว่าเราสามารถสะดวกแล้วก็รู้ได้ไวก็เป็นขิปปาอภิญญาเพราะฉะนั้นคนจะไิบัตรให้ผลอย่างเร็วไม่เกี่ยวกับอยู่ตรงไหนทุกหรือสุขไม่เกี่ยวว่าเรามีการสังเกตดีหรือเปล่ารำมัฟวิยะตัวนี้ แล้วได้มาเรียนรู้อย่างมีหลักมีเกณฑ์หรือเปล่าเช่นรู้การเคลื่อนไหวนะบคนรู้แบบทำเอาเป็นเอาตายแต่ก็ทําไปคุยกันนะยุงทีทําเองลิบโทรศัพท์นะพักเดียวแล้ว น, นะพวกกดเดินไปคุยไปเห็นพฤติกรรมอย่างเงี้ยเต็มไปหมดเลยอาละวาไม่บอกเลยประเภทนี้ไม่พูดเลยเพรา ะ, ะถ้าคนทศโพดกันฟังกั น, นครั้งเดียวก็รู้เรื่องแล้วหรืองทีไม่ต้องพูดแต่แค่มองตานะ่ยรู้เรื่องแล้ว จะตีกันหรือไม่ตีกันแค่มองตาได้เลยอันนี้เคยใช้มาแล้วนะสมัยเป็นนักศึกษานะเป็นนักเรียนนะสมัยมัธยมนะก็จะมีเพื่อนอยู่คนหนึ่งส่วนใหญ่เราจะตั้งใจเรียนหน้าห้องตลอดอยู่หน้าห้องตลอดเพื่อนหลังห้องก็จะแซวตลอดแล้วก็ตาของตาหมาเป็นตาที่หาเรื่องคน ก็คือมันเป็นตาที่มันมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นเกิดครั้งหนึ่งไปโรงเรียนเราเดินไปเรียนโรงเรียนใกล้ๆบ้านลูกคนมีสตางค์ขขับจักรยานก็เรียกสเตอร์ลิงกนะถ้าเป็นสมัยนี้ก็จักรยานภูเขาอะไรต้นน้องนันไปเรียนอยู่ที่ในจังหวัดกั น, นี้ถนนไม่ดีแล้วมันลื่นแล้วจักรยานมันล้มแล้วก็มนกระแทกเรา เราก็ล้มลงไปแล้วก็บันนั้นฝนตกมันก็เลยไม่รู้อะไรตีลูกตาไปแล้วต า, ตาก็แตกเลยนะตรงเนี้ยหางตาเนะี้ยเป็นแผลแล้วก็ดึงตาเราลั้างสนะมองตาด้านเนี้ยชกกันได้เลยนะยมตานักเลงเห็นไหมมองหาเรื่องอะไรอะไรย่ี้ยแต่ข้างนี้เนี่ยเป็นพระเอกนะอันนี้พระเอกตาพระเอกสองจันหลอดีเด้ะแต่ด้านเนี้ยผู้ร้ายมีสองภาพก็นี้ไปเรียนนะเพื่อนเขาก็ ใครๆมองทาไมมองหาเรื่องอะไรแล้วก็มองเฉยๆเราเนี่ยนะใจก็ธรรมดาธรรมดาไม่ได้คิดเลยตอนนั้นเองได้เรื่องเลย่เดี๋ยวเจอกันหลังกินข้าวนะเดี๋ยวเจอกันเนี่ยกลายเป็นเะรื่องเป็นลาวตอนนี้ก็กลายเป็นศัตรตูกันมาตลอดนะพวกเขาก็เยอะอยู่แล้วไอ้ลมหัวเดียวก็เทรียมรีบไปไหนไม่ชอบมีเพื่อนไปไหนชอบอยู่คนเดียวทันะวามาคนเดียวตายก็ตายคนเดียว ถ้ามีเรื่องกับคนหลายคนเนะเขาเสียเปรียบเราทํำยังไงเราก็โดนแน่เราทําไปไปอาวุธไปก็โดนก็หมดนั่นแหละมันก็เป็นอย่างนั้นมาตลอดการนี้มันกลายเป็นเรื่องของเราก็ไม่รู้ว่าเออการทําอย่างนั้นเนี่ยมันเป็นเรื่องของการสร้างศัตรูผู้ริแล้วก็เป็นเรื่องของไม่ใช่อยู่ด้วยธรรมะ อยูดสติได้ปัญญาได้ศีลได้ธรรมไม่มีใครสอนเราตอนหลังมันเป็นลนักษณะของอาการที่มันเริ่มมาจะทบทวนประโยชน์รัว้วโทษมันเกิดขึ้นไหมเราเห็นว่าไม่มีประโยชน์เลยเลยการไปโรงเรียนแล้วต้องหวาดหวั่นวาดกลัวกันนะเป็นมิตรกันดีกว่าก็ทําดีต่อกันดีกว่าท้ายสุดโยมาวันหนึ่งเนะี่ยได้มีโอกาสไปเรียนอยู่ทางเหนือ เรียนในทางเชียงใหม่ได้ไปเจอกับท่านอาจารย์สมใจนะเมื่อวันได้ฟังธรรมไหมได้ฟังไหมได้เจอท่านท่านเคยเป็นประธานจํารมพุทธของธรรมศาสตร์เจอแล้วไปอยู่ที่นั่นท่านก็สนใจว่าเคยเป็นสิทธิหลวงปู่เทียนบวชแล้หลวงปู่เทียนเรานําหลวงพ่อขเขียนนิมนต์หลวงพ่อขเขียนไปเชียงใหม่ท่านก็เป็นสะพานบุญให้กับคนเชียงใหม่วิธีการนี้ก็เริ่มรู้จักแพร่หลายในเชียงใหม่อย่างนี้ สมัยก่อนมีพระไปในหะลวงพ่อจันลันนะไปสอนให้คนเชียงใหม่ยกมือคนเชียงใหม่ไม่ยกหลวงพ่อจัลันต้องสะพายบาตกลับมาอยู่ที่จัตุรัสนะ่ะเพราะคนเชียงใหม่ชอบความสวยความงามชอบทําบุญทําทานชอบติดดีอย่างเงี้ยบ้านเมืองก็สบายเพราะนั้นเวลาสบายคนไม่ได้มาสนใจหรอกเรื่องสติปัฏฐานนอกจากเวลาเราทุกข์ก่อนความทุกข์บีบคั้นก่อน เราก็เลยมาสนใจใส่ใจทําไงมีทางออกอีกไหมนะเพราะฉะนั้นองค์สมเด็จสัมมาเจ้าเนะี่ยท่านค้นพบนะเมื่อวันเพ็ญเดือนหกขึ้นสิบห้าข้ามยามสามปีลากาสองพันพรรปีมัยังมีกลิ่นไออยู่จริงนะหลวงพ่อมเขียนนะท่านพูดถึงสภาวะผู้ดูนั่นคืออะไรปัญญาตาในตาที่สามตัวนี้หลวงปูนะ่เทียนท่านชี้ถึงความรู้สึกตัวความรู้สึกตัวเนะี่ยให้รู้แก่ความรู้สึกในการเคลื่อนไหวของกายแต่ละขณะนะ เดียวอย่างอื่นมันเปลี่ยนไปเองมันเป็นไปเองไม่อยากรู้ก็ต้องรู้ไม่อยากเห็นก็ต้องเห็นไม่อยากเป็นก็ต้องเป็นพูดไม่เป็นมันก็เปิดปากให้เราพูดทำมาเนะีเหมือนกับคนจีนเห็นไหมคนจีนนะ่ยพอรู้นะไม่ต้องมาก น, นะแค่รู้รูปรู้รนามอารมณ์ปัสสุบนก็มาก็โอ้โหมันอยากจะพูดตายอยู่แล้วตรงเนี้เยเรีว่าสำลัอถูกหวยสำลัอถูกหวยมันก็อยากใช้ตัง แตใช้เดี๋ยวก็หมดแล้วก็ต๊อกป่อยเหมือนเดิมนีนเราก็จึงแล้วนัที่ว่าเก็บเกี่ยวความรู้สึกตัวแต่ละขณะแต่ละขณะแต่ละขณะเอาลมอะไรเกิดขึ้นมาเราก็กลับมาหาความรู้รู้ตัวรู้สึกตัวอันนี้แหละเป็นสุขค่วิปัสสโกปฏิบัติอย่างง่ายๆแล้วให้ผลอย่างเรืดเรื่สูตรสําเร็จอึดใจเดียวสู่การรู้แจ้งที่หลวงปู่เทียนท่านได้พูดเอาไว้มันเป็นอย่างนั้นจริงๆสํารับคนที่สังเกตเป็นนะ เพราะฉะนั้นเราจึงต้องมีการสังเกตกันให้ดีๆนะนะเคลื่อนแต่ละขนาดนะเคลื่อนหยุดตรงนี้ทำให้เป็นก่อนเคลื่อนหยุดเคลื่อนหยุดมันเป็นยังไงจะมีความรู้สึกว่าเคลื่อนแล้วก็รู้สึกราบรื่นสบายๆผ่อนคลายเวลามีอารมณ์เราก็ปรับเราก็โจร น, นิด น, นึงเช่นมีความง่วงก็ทําให้มันแรงขึ้นเร็วขึ้นหรือเปลี่ยนอิริยาบถเทคนิคปฏิบัติเนี่ยต้องเอามาใช้เลย ฟังแล้วอย่าฟังหูซ้ายออกหูขวาเนีฟังแล้วเก็บมาไว้อ๋อเวลาง่วงซึ่งเราง่วงเป็นประจำอยู่แล้วต้องเปลี่ยนอารมณ์ให้มันหรือว่ามันกลัวจิตใจที่เข้มแข็งต้องทะลุทะลวงความง่วงเนี่ยโยมตอนนี้ใครง่วงมั่งยกมือขึ้นเอามือลงเวลาพูดอารมณ์ปฏิบัติเนี่ยจะง่วงแบบนี้แหละถูกแล้วบอกเลยนะมีสองอย่าง อันที่หนึ่งก็คือท่านเป็นคนมีนิสัยขี้เกียจมาก่อนชอบนอนเวลาเนี้ก็ยังไม่ตื่นหรอกนะถ้าจะไปเที่ยวมันตื่นถ้าไปเครื่องบินเอ่อไปเตรียมขึ้นเครื่องบินไปเที่ยวสวิตเซอร์แลนด์อย่างเงี้ยมันตื่นตัวดีเลือดถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งกำลังนั่งรถไปเจ้ารางวัลเงี้ยตื่นตัวดีเ ร, รวเา ว, เ ว, ว่าไหมแม่ค้าตีตลาดเนี่ยก็จะได้เงินได้ทองก็ข า, ขายกําลังทอนตังรับตังกรัตังมีกำผลกําไร ก็ตื่นตัวดีแมค้าที่ง่วงหลับเฝ้ากระจายคือขายไม่ดีอย่างง น, น, นะประการที่สองก็คือลักษณะของคนที่ง่วงขณะฟังธรรมหรือปฏิบัติธรรมส่วนใหญ่นะชาติแล้วเนะี่ยปี้เก่งปี้เก่งการอารมณ์จัดราค้าจัดไม่ได้พูดเ ล, เล่นๆนะราค้าจัด ปีนี้ชาตินี้มันเลยพักเต็มที่เลยพอจะไปทำสู่การพ้นทุกข์มันดึงเลยง่วงแ ล, วแล้วเดี๋ยวจะกลายเป็นโง่หลงงมงายทันทีไสยศ า, ศ า, ศาสตร์ไสยไสยศาสตร์เพราะนั้นต้องตืต่ น, น่หลับต้องละมัดรลองทีเดียวนะตื่นตัวอยู่เสมอปลุกตัวเองเคลื่อนไหวแรงๆถ้ามันง่วงนะออกม า, าสู่ความรู้สึกตัว ก่อนนอนก็นอนอย่างมีสติเมื่อคืนนอนอยังไงล่ะไปถึงนอนหงายเลยปะงอนเอ้ยนอนแล้วก็เรียกว่านอนแบบเปรตเปรตสายญาตินอนหงายไม่รู้ร้อนไม่รู้หนาวไมได้กําหนดสติอลไรแล้วนอนตะแคงซ้ายอันนี้นอนแบบคนมีกามล่ะคะ ผู้ชนคนทั่วไปจะนอนตะแคงซ้ายนะอนตะแคงขวาอันนี้นอนแบบสัตว์นอนแบบสัตว์จะนอนท่าไหนก็เดียะไรเนี้ยเหลือแต่นอนคว่ำใช่มก็นอนแบบมีชานมียาน นอนแบบมีชานมียานไม่มีนี่บรธรรทำครอบงำไม่ได้นอนเพราะง่วงจัดนอนเพราะว่าความง่วงพาหนอนไม่ใช่นอนเพราะว่ามันถึงเวลานอนก็นอนใส่แล้วก็นอนด้วยสมาธิกำหนดความรู้สึกตัวกระดิกนิ้วเบาๆกำหนดลมหายใจเข้าออกท้องพองยุบกำหนดอย่างนี้เสร็จแล้วมันก็จะพักจิตตกปวังสบายนิ่ง 3-4 ชั่วโมองอิ่มเมื่อคนะืนมาตื่นตีหนึ่งเศษอิ่มเลยตื่นมาก็แ ก, ก๊กแ ก, ก๊กแ ก, ก๊แ ก, ก, ก, กอยู่ในห้องอิ่มนอนน้อยๆอิ่มดังนัน้นเราก็เรียกว่าใช้สถานที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดไม่หาความสุขการกินการนอนอาหารมัดมือจกก็ทำยังไงก็ไม่เป็นไรหรอก พอบ้างไหมพอบ้งสนุกดิความทุ่มสอนให้เราเข้มแข็งความสุมสอนให้เราอ่อนแอความทุ่มสอนให้เรารักกันความสุมสอนให้เราเห็นแก่ตัวเราก็จึงให้เห็นใะมันไปยึดอะไรต่างๆนานามากมาย ม, มีภาษาพูดอยู่เช่นมันยึดในการกินการอยู่แล้วการ ม, มุปาทานเนี่ยมันไปยึดหรือว่ามันยึดความเห็นของเราถูกเสมอดีเสมอ เป็นที่ถูกปาทานยึดรูปแบบนี้ดีทําอย่างนี้ดีต้องอย่างนี้สิถูกอันนี้เป็นลักษณะของศีลพระตูปปาทานนะจริงๆอีบทไหนก็ได้ถ้ารู้สึกตัวนะแต่ว่าถ้าเราเคลื่อนไหวรู้สึกอันนี้มันเหมือนกับมันเข้มข้นเหมือนก็เวลาเราให้ฮอร์โมนกับต้นไม้เราป่วยเรารักษากินยาครบโดสอันนะี้ถูกต้องเลย หรือว่าเราเคยเลกาหนาว่าไม่ชัดเจนในความรู้สึกมันมีความรู้สึกกะลมหายใจกับตากัะพริบกะท้องพองยุบกับการเดินไปเดินมามันไม่ค่อยชัดเจนมันเดินไปมันหลงไปเผลอไปพอมายกมือเคลื่อนเงนี้ยมันหลงทางเลยมันไม่เคยทํามาก่อนอันนี้ก็เรียกว่าศีลประตูปาทานะ ถ้าเราไปยึดมันถือมั่นมากว่านั้นเคลื่อนไหวรู้สึกขานซ้ายแลขวารู้สึกจะกินจะขยับอะไรก็รู้สึกมันก็จะมีความชํานาญยิ่งๆขึ้นไปละเอียดลุ่มลึกขึ้นไปจนทั้งเราเห็นว่าเอออยู่ตรงไหนมันก็ผ่อนคลสบายในะสบายตัวสบายใจรู้เท่ารู้ทันการคิดรู้เท่ารู้ทันอารมณ์ต่อมาก็คือเราก็จะยึดมัน่นในลักษณะของตัวตนคําพูดนะ การคิดการพูดการทําของเราทั้งหมดเรียกว่าอั ต, ตวาทุ ป, ปาทานอุ ป, ปาทานอุบรับประทานมันก็อุบมันอยู่แค่นั้นมันก็อบอยู่แค่นั้นมันก็ไม่รู้โลกกว้างองี้นะเพราะฉะนั้นการมาศึกษาธรรมะเนี่ยทำให้เราท่องโลกกว้างพัศนาจรข้างนอกก็ไม่ทุกอยู่ตรงไหนก็ได้หรือว่าวิปัสสนาไม่เห็นอาการอะไรก็ได้ที่เกิดในตัวเราแล้วก็ไม่ต้องทุกข์ กายเป็นความฉลาดเห็นรูปเห็นนามเห็นอาการเห็นกันทตัวนี้อาการต่างๆเกิดกับกายอาการต่างๆเกิดกับจิตใจดูเป็นแค่อาการมันก็จึงไม่ต้องเอาลักษณะของสมบมติบัญญัติเข้าไปใส่เลยสมมติบัญญัติคือความคิดทั้งหมดมันก็เหลือแค่เคลื่อนไหวรู้สึกกระทบสัมผัสอ่าเพราะนั้นเดี๋ยววันนี้สรุปจะประเด็นแล้วเอาไปทํากันอีกทั้งวันตอนเย็นมีอะไรเดี๋ยวตอนทำบัตรส่วนมันก็ได้ฟัง ธรรมะตอนเย็นอีกครั้งหนึ่งอย่างนี้นนะก็ขอให้พวกเราที่มารวมตัวกันทําวัดในเช้านี้แล้วก็มาปฏิบัติธรรมกันในกราวครลางนี้ก็ขอให้พวกเรานะได้เรียนรู้ความจริงนะที่กําลังปรากฏอยู่ทุกๆกขณะจนทั้งสามารถที่จะสัมผัสนะธรรมะ ร, รู้ธรรมะตามสมควรแก่การวิบัตินะก็ขอให้ได้สัมผัสนะจนกระทั่งเหมือนกับว่า เกิดพัฒนาการที่เรียกว่าภาวนาในใจของเรานะ่มีลักษณะของปัญญาเกิดขึ้นแล้วก็ละเอียดรุ่มลึกลงไปจนกระทั่งถึงที่สุดแห่งกองทุกในบัญจชาตินี้โดยทุนาการทุกท่านทุกครูทุกนามเธอ